เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทรุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่อวันที่เสาวันที่สองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนที่หนึ่งเดือนอ้ายเป็นวันพระวันธรรมัสสวนณเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจนาวันเพื่อมาประพฤติมาบาเพ็ญ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอใจที่ได้รับการชำระแล้วจะนำความสุขมาให้ใจที่ยังไม่ได้รับการชำระยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองบกคุมหุ้มห่ออยู่ก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจ ถ้าใจที่ได้รับชำระจนไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่มีความพอไม่มีความทุกข์ความกังวลไม่มีความห่วงใยไม่มีความหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถ ไปทำลายใจได้นั่นเองทำลายได้เพียงร่างกายของตนหรือของบุคคลที่ตนรักหรือทำลายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่จะไม่สามารถเข้าไปทำลายใจได้เลย น, นอกจากใจไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ ว่าใจนี้มีคุณภาพมีคุณวิเศษอย่างไรใจไปหลงติดอยู่กับร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นของตนพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เกิดความหวาดหวาดกลัวเกิดวความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าใจได้รับการชำระให้ให้เหลือแต่ความสะาดบริสุทธิ์ไม่มี ความหลงมาหลอกให้กลัวให้มายึดมาติดกับร่างกายกับสิ่งของต่างๆในโลกนี้ใจก็จะเหมือนกับคนที่นั่งดูภาพยนตร์อะไรที่จะเกิดขึ้นในจอภาพยนตร์นี้ไม่สามารถมาทำให้เกิดขึ้นกับคนที่นั่งดูได้ แต่คนที่นั่งดูนี้ถ้าไม่ฉลาดไม่มีสติก็อาจจะเป็นอะไรไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภา พ, พ ย, ยนตร์ได้เช่นเกิดความกลัวขึ้นมาได้เกิดความเศร้าสศงเสียใจขึ้นมาได้ถ้าดูโดยไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่ดูนั้น ก, กับตนนั้นเป็นคนละส่วนกัน สิ่งที่กำลังดูกำลังเห็นอยู่นี้เป็นเพียงภา พ, พยนตร์ส่วนคนดูนี้เป็นเป็นความจริงคนดูนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับภา พ, พยนตร์ทําไมต้องไปดีใจไปเสียใจไปทุกข์ไปทรมานใจกับสิ่งที่ดูด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยแยกแยะหรือคอยยึ คอยหยุดใจไม่ให้ไปยินดียินร้ายดีใจเสียใจกับภาพผนิลที่กำลังดูอยู่นั่นเองสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าจะเป็นขัข้าวของเงินทองต่างๆหรือร่างกายนี้ก็ไม่ได้ไปมีผลอะไรกับใจเลยใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับเข้าของเงินทองต่างๆที่มาหรือไปนะเวลามาใจก็ไม่ได้เวลาไปใจก็ไม่ได้เสียใจนี้เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเหมือนคนดูภาพยนตร์เวลาภาพยนตร์เห็นเห็นเห็นคนแสดงได้เงินได้ทองมาคนดูก็ไม่ได้เงินได้ทองไปด้วย เวลาคนแสดงเสียเงินเสียทองไปคนดูก็ไม่ได้เสียไปด้วยเวลาคนแสดงตายไปคนดูก็ไม่ได้ตายตามไปด้วยนั้นคนดูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดีใจเสียใจไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่ดู <c oughs> เช่นเดียวกับใจของเรานี้มาปรับมาตัวปเปล่าๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัวปเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรมาเลยและไม่ได้เอาอะไรไปเลยเพียงแต่มารับรู้กับสิ่งต่างๆเท่านั้นเองมารับรู้ว่าได้ร่างกายนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นพอ โ, โตขึ้นก็ได้ข้าวของเงินทองได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาแล้วก็ได้สมบัติได้ลูกได้หลานตามมา แล้วพอถึงเวลาก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนคนที่ดูในดูหนังในโรงภาพยนตร์พอหนังจบคนดูก็ออกจากโรงไปเวลาเข้ามาที่โรงก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเอาไปแต่ความจำเท่านั้นเองเช่นเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็จำได้ว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างในภาพยนตร์ เราก็เอาความจำนี้ไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้ไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนจะเจริญหรือจะเสื่อมจะยิ่งใหญ่หรือจะยากจนมันก็เป็นเพียงความจำหลังจากที่เราตายจากโลกตายจากโลกนี้ไปแล้วเราเอาใจไปเอาความจำนี้ไปได้เท่านั้นเองแต่เราเอาสิ่งต่างๆไปไม่ได้ นี่คือเรื่องของใจที่เราต้องคอยสั่งสอนใจอย่าให้หลงถ้าไม่หลงแล้วก็จะไม่โลกถ้ารู้ว่าเอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะโลกไปทำไม <Yeah. S 1> เวลาโลกนี้มันสร้างความเครียดให้กับใจสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเวลาโลกเวลาอยากเช่อนอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้น อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยากให้เขาดีกับเราไปนานๆพอเขาไม่ได้เป็นดังที่เราอยากได้เราก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือเรื่องของใจของเราที่มีความหลงที่ไม่รู้ทันเราไม่ควรอยากกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเราควรปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เหมือนกับเราปล่อยให้ต้นไม้ใบหญ้าดินน้ำลมไฟเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาฝนจะตกแดดจะออกเราก็ปล่อยเขาไปเป็นตามธรรมชาติของเขาเราก็ไม่เดือดรอ้อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ไม่ได้ไปอยากไม่ให้เขาขึ้นเวลาพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ได้ไปอยากไม่ให้เขาตกดังนั้นการขึ้นหรือการตกของพระอาทิตย์ จึงไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราเราเพียงแต่รับรู้ตามความจริงของเขาเท่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็ น, นยศถาบรรดาศักด์ไม่ว่าจะเป็นคําสรรเสริญหรือนินทาไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้รับจากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภทพะที่ถูก อ, อกถูกใจ หรือการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพระที่ชอบออกชอบใจไปก็ไม่ควรที่จะไปดีใจหรือไปเสียใจแต่อย่างใดควรให้รู้ทันว่ามันเป็นปกติเราอยู่ในโลกนี้เราทุกคนจะต้องสัมผัสโลกธรรมแปลเหมือนกับเราต้องสัมผัสกับ ก, บการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์เวลาเรารู้ว่าเวลาพระที่ขึ้นเราก็ไม่ได้ดีใจ เวลาพระอาทิตตกเราก็ไม่ได้เสียใจฉันใดโลกธรรมทั้งแปดก็เช่นนั้นเราไม่ควรที่จะไปดีใจหรือไปเสียใจโลกธรรมทั้งแปก็มีอยู่สี่คู่ด้วยกันคือการเจริญและการเสื่อมของลาบของเงินทอง 2. การเจริญและการเสื่อมของยนต์ธาบรรดาศักดิ์ 3. การเจริญและการเสื่อมของสรรเสริญ นั่นหนิทาและสางการเจริญนักการเสื่อมของความสุขและความทุกข์มันมีอยู่คู่กับสัตว์โลกทุกๆคนแม้แต่เดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีลาบยศสารเสริญสุขเหมือนกันไม่ต่างจากมนุษย์เราและก็ไม่ต่างด้วยตรงที่เขายังทุกข์ทรมานใจกับ การสัมผัสกับลาบทวดสารเสร์ญสุขนี้อยู่เวลาได้มาก็ดีใจอยากจะได้มากขึ้นไปอีกก็เกิดความกาวนกาวายเกิดความดื่นรนที่จะต้องหามาเพิ่มขึ้นอีกเวลาเสียไปก็เกิดความเสียอกเสียใจทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเลยไม่ได้เป็นของตนเลยเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเช่นตอนนี้ญาติโยมมีเงินทองเท่าไหร่ ก็เพียงแต่เป็นตัวเลขเอาไปฝากไว้ในธนาคารเท่านั้นเองเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เวลาอยู่ก็ใช้มันได้เท่าที่จาเป็นคือใช้กับความต้องการของร่างกายเท่านั้นเองถ้าไปใช้ในทางอื่นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องไปทุกข์ภายหลังเพราะเวลาเงินหมดไม่เงินไม่พอใช้ไม่สามารถซื้อความสุข ทางตาหงจมูกลิ้นกายได้ก็จะเสียอกเสียใจจะทุกข์ทรมานใจเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเวลามีเงินก็ไปซื้อยาเสพติดมาเสพเวลาเสพก็มีความสุขแต่พอเงินหมดแล้วก็ทีนี้ก็จะลำบากไม่มีเงินทองที่จะซื้อมาเสพก็จะทุกข์ทรมานใจแล้วก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีไม่ถูกต้อง ไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้่เพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อยาเสพติดอกีกนี่ก็คือการใช้เงินซื้อความสุขจะเป็นอย่างนี้ถึงแม้รูปเสียงกลิ่นรสผลพธะที่พวกเราหาซื้อกันนี้จะไม่ได้รุนแรงเหมือนยาเสพติดแต่มันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันคือต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานของที่ไม่จำเป็นแล้วจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแล้วถ้าไม่มีเงินซื้อก็ยิ่งทุกข์ทรมานใจใหญ่ก็จะถูกบังคับให้ไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ถูกต้องสังคมของเรานี้มีมนุษย์ที่ ทำหากินแบบทุจริตกันมากเพราะเขามีความอยากมีความโลภมากแต่เขามีปัญญามีความสามารถในการหาเงินหาทองไม่มากเขาก็เลยต้องหาเงินหาทองด้วยวิธีทุจริตบ้านช่องจึงมักจะถูกงัดถูกขโมยธนาคารมักจะถูกป้นถูกจี้อยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากความโลภนี่เอง ที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นเหตุให้ไปทำบาสมันเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกขทรมานใจถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปดิน้ดนรนไปหามาเพราะถ้าเราสามารถอยู่เฉยๆได้ทำใจให้เรา ให้นิ่งได้แล้วใจของเราจะไม่อยากกับอะไรจะมีความสุขใจที่นิ่งที่สงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจและความสงบของใจนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพียงแต่ให้มีเวลาให้มีสถานที่ที่สงบไม่มีอะไรมารบกวน แล้วก็ให้มีสติเท่านั้นเองถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้สตินี้เป็นเหมือนเชือกส่วนใจนี้เป็นเหมือนลิงส่วนพุทโธนี้เป็นเหมือนเสาถ้าเราอยากจะให้ลิงอยู่เฉยๆไม่ให้ไปเพ่นพ่านไปเที่ยวไปเล่นไปทำลายท่าของต่างๆ เราก็ต้องเอาเชือกมาผูกลิงไว้กับเสาพอผูกไว้แล้วถ้าเชือกแข็งแรงกว่ากําลังของลิงลิงก็จะไม่สามารถที่จะไปเพ่นผ่านไปสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้แล้วเมื่อมันเหนื่อยมันมันสู้กับเชือกไม่ไหวมันก็จะอยู่เฉยๆใจของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าใจของเราไม่มีสติมันก็เป็นเหมือนลิง มันชอบคิดไปทั่วไปหมดชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอคิดไปแล้วก็เกิดความดีใจบ้างเกิดความเสียใจบ้างส่วนใหญ่จะเกิดความเสียใจเพราะมักจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความโลภที่จะคอยสร้างความทุกข์ความเสียใจให้อยู่ตลอดเวลา เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เสียใจเวลาอยากจะเก็บอะไรไว้แล้วหายไปก็เสียใจ <c oughs> นี่คือความคิดในทางโลกคิดแล้วก็ทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวแล้วก็ต้องไปดินโน่นไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดกฎหมายไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ทั้งหมดนี้ออกมาจากความโลก ที่ออกมาจากความหลงที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับใจนอกจากความสงบเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ควรไปหาอะไรภายนอกเราควรหาภายในเราควรหาความสงบภายในใจของเราด้วยการเจริญสติสร้างสติให้เกิดขึ้น สตินี้คือการดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจไปที่นั่นไปที่นี่ไม่ให้ใจไปคิดในเรื่องอดีตหรืออนาคตให้คิดอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกำลังเดินก็ให้คิดอยู่ว่ากำลังเดินเดินก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเดินก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อย หรือจะให้คิดกับคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่กับพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะไม่ดิน้นไม่หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันไปไม่ได้เพราะถูกบังคับให้อยู่กับให้คิดอยู่กับคําพุโทโธพุธโทโธถ้าเราสามารถควบคุมให้คิดอยู่กับคําพุโทโธไปได้หรือถ้าเรากําลังเดินก็ให้อยู่กับคําว่าซ้ายขวา ซ้ายขวาไปหรือเวลารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารเช่นกำลังตักข้าวก็บอกกำลังตักข้าวกำลังเอาข้าวใส่ปากก็ก็บอกว่ากำลังเอาข้าวใส่ปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนก็ให้ว่าไปตามที่กำลังทำอยู่ให้อยู่กับงานในปัจจุบันกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังเขียนหนังสือก็ให ให้ว่ากำลังเขียนหนังสือกำลังทำกับข้าวก็ให้ว่ากำลังทำกับข้าวกำลังอาบน้ำก็ให้ว่ากำลังอาบน้ำกำลังฟอกสบู่ก็ว่ากำลังฟอกสบู่กำลังซักเสื้อผ้าก็ให้อยู่กับการซักเสื้อผ้าให้คิดอยู่กับเรื่องของการซักเสื้อผ้าอยู่ถ้าเรามีสติควบคุมใจให้อยู่กับการงานที่กำลังทาอยู่ในปัจจุบัน ใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้และเมื่อมันไม่มีไม่ไม่มีความสามารถที่จะสู้กำลังของสติได้มันก็จะหยุดคิดไปเองพอมันหยุดคิดแล้วก็จะเกิดความเบาใจความสุขใจความสบายใจความอิ่มใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวไปดูไปฟัง ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความอยากนี่แหละคือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจต้องได้รับการชำระต้องได้รับการควบคุมดูแลด้วยสติถ้าเราควบคุมใจให้อยู่กับสติได้แล้วต่อไปใจก็จะไม่ไปเพ่นพ่านไปสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาถ้าเรายังไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำใจ ให้สงบนั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำา อ, อกไปปฏิบัติได้นอกจากการมีสติแล้วเราก็ยังต้องรู้อีกว่าการกระทำอะไรที่เป็นคุณและอะไรที่เป็นโทษกับใจเช่นการทำบาปนี้เป็นเป็นโทษกับใจ พอเวลาทำบาปแล้วทำให้ไม่ส บ, สบายอกไม่สบายใจมีแต่ความว่าวุ่นขุ่น ม, มัวมีแต่ความหวาดระแวงกลัวที่จะต้องไปชดใช้กรรมนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องไม่ทำบาปเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราต้องละเว้นจากการลักทรัพย์ ต้ละเว้นจากการประพติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆเช่นการเล่นการทนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้เป็นการกระทำที่เป็นโทษกับจิตใจจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจ ให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้นเราต้องทำให้ได้ลองทำดูลองถ้าเคยดื่มสุราลองเลิกดูแล้วดูซิว่าระหว่างการดื่มกับการไม่ดื่มนั้นอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเราเล่นการพนันก็ขอให้เราลองเลิกดูแล้วดูว่าการเล่นการพนันกับการไม่เล่นการพนันอันไหนจะดีกว่ากันนะการดื่มสุรานี้ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามีแต่ส่วนเสียมากกว่าส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรมากหนึ่งต้องเสียเงินเสียทองสองต้องเสียเวลาสามเสียสุขภาพสี่เสียสตินี่คือสิ่งที่ต้องเสียถ้าดื่มสุราเข้าไปสิ่งที่ได้มาก็คือความมึนเมาได้แต่ความ ความสุขชั่วประเดียวประดาซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเป็นการลืมความทุกข์เสียมากกว่าคนเราเวลามีความทุกข์แล้วไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยดื่มสุราพอดื่มแล้วมันก็มึนมันก็เลยลืมเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแต่มันไม่มันไม่หายไปพอหายเมาแล้วมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาอีก นี่คือการเสพสุรายาเมาเป็นโทษมีแต่เสียผลประโยชน์การเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันมีแต่เสียเงินเสียทองมีใครบ้างที่ร่ำรวยจากการเล่นการพนันคนรวยนี้เขาไม่ได้รวยจากการเล่นการพนันเขารวยจากการขยันทำมาหากินขยันเก็บเงินเก็บทองเขาไม่ได้รวยจากการเล่นการพนัน เหลือกจากการเที่ยวกลางคืนเดินโซลาเที่ยวกลางคืนเที่ยวแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาก็ตื่นสายไปทำงานไม่ทันก็จะตกงานพอตกงานไม่มีเงินทองไม่มีรายได้ก็ต้องไปลักขโมยไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลผิดธรรมนี่ท่านถึงเรียกว่าอบายยางนุก อบายแปลว่าพบที่เพบที่มีแต่ความเสือ่อมพบที่มีแต่ความทุกข์มุกแปลว่าถวาวรหรือประตูทางเข้าอบายมุกก็แปลว่าทางเข้าอบายนั่นเองผู้ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกก็แสดงว่ากำลังเข้าไปในอบายไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างเพราะทำบาป ท, ทำกรรมนั่นเองเมื่อไม่มีเงินทองพอใช้ก็ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมแล้วพอตายไปก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายนี่คือโทษนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงส่วนสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเช่นทรงสอนให้เรามีจารคะคือให้เรามีการเสียสละเสียสละทรัพย์ของเราที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้แก่ผู้อื่นไปหรือเสียสละเวลาถ้าเราไม่มีทรัพย์แต่เรามีเวลาว่างเราก็เอาเวลาว่างนี้ไปรับใช้ผู้อื่นทํางานสาธารณกุศลก็ได้ เช่นไปเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิต่างๆไปช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยอุบัติเหตุหรือผู้ที่เดือดร้อนต่างๆอย่างนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขใจมีความสบายมีความเย็นมีความสงบเพราะการกระทำแบบนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจถ้าไม่เชื่อลองทำดูลองเสียสละดู อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาเสียสละเงินทองเอาเงินทองนี้ที่มีอยู่นี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งจำเป็นต่างๆมาถวายพระแล้วก็ถวายเงินบารุงดูแลรักษาวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดพอได้ทำแล้วใจก็มีความอิ่มเอมีความภูมิใจมีความสุขใจระ ง, งับความหิวความอยากความต้องการ ให้เบาบางลงไปได้ทําให้ใจมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้อยากจะรักษาศีลหรือทําให้รักษาศีลนี่ง่ายขึ้นเพราะคนที่เสียสละคนที่ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเวลาอยากจะได้อะไรต้องการอะไรเวลาทําอะไรจะคํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอว่า ทำไปแล้วนี่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่เช่นอยากจะได้เงินได้ทองก็จะไม่ไปลักไปขโมยเงินของผู้อื่นเพราะรู้ว่าการลักขโมยเงินของผู้อื่นนี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนนั่นเองให้ผู้อื่นเขาต้องเสียอกเสียใจแล้วก็ทําให้เขาต้องเปบียดแค้นโกรธแค้นขึ้นมา แล้วก็จะตามอาฆาตพยาบาทเรานี่คือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำและบาปหรือการกระทำที่ไม่ดีที่เราควรจะละแล้วก็พยายามทำใจของเราให้สงบอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอใจสงบแล้วใจจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรจะมีความสุข อยู่เฉยๆเป็นสุขอยู่เป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเวลามีแล้วมันนอกจากสุขแล้วมันก็มีความทุกข์ด้วยมีความห่วงมีความหวังมีความกังวลกลัวจะหมดกลัวจะหายไปกลัวจะจากเราไปแล้วพอจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปก็ต้องเสียอกเสียใจ บางทีถึงกับอยู่ต่อไปไม่ได้เวลาเสียสิ่งที่รักไปมากๆก็อยากจะตายตามสิ่งที่รักไปนี่คือโทษของความอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆอย่าไปอยากอย่าไปมีมันไม่เป็นคนไม่เป็นประโยชน์ให้อยากได้ความสุขภายในใจอยากได้ความสงบ ด้วยการพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นรับรองได้ว่าไม่นานใจของเราจะสงบเมื่อสงบแล้วเราจะเบื่อกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเราจะเห็นความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหมือนฟ้าส่วนความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนดินเหมือนนรกมันมีความสุขเพียงนิดเดียวแต่มันคอยสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบสิน้นแต่พอได้พบกับความสงบของใจแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนนรกต่างๆที่มัน เกิดขึ้นภายในใจนี้จะหายไปหมดเลยจะเหลือแต่สวรรค์เหลือแต่นิพพานอยู่ในใจเท่านั้นเองเหลือแต่ความสงบที่ไม่มีการสิ้นสุดไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละคือการรักษาใจหรือการชำระใจคือพยายามกำจัดบาปกรรมต่างๆให้ออกไปจากใจ พยายามกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจพยายามทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องผลที่จะตามมาก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายมีไว้เป็นสมบัติครอบครองแล้วก็นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามไม่นานต่อไปเราก็จะได้รับสมบัตินี้เช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาดูแลรักษาใจด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปทุกข์นาและปฏิบัติ